หลายคนยอมเสียเวลากังวลว่าคนอื่นคิดไม่ดีกับตนไม่นึกว่าคนอื่นก็ต้องใช้เวลากับการคิดไม่ดีเรื่องของเขาเช่นกันถ้าชอบพะวงว่าใครคิดยังไงกับคุณประมาณตอนนั้นเห็นเราเจ๋งพอหรือเปล่าที่น่าอายวันก่อนจะแก้หน้ายังไงดีที่พูดผิด จะหาจังหวะไหนพูดใหม่ให้ถูกแล้วเปลืองจิตเปลืองอารมณ์วกวนคิดไปคิดมาไม่เลิกให้รู้ตัวว่ากำลังเสียเวลาหมกจมกับอารมณ์ที่สูญเปล่าไปคนเดียวอีกทั้งมีแนวโน้มจะกระตือหรือร้นเกินเหตุในการแก้หน้าหรือแก้ตัวจนต้องหาทางแก้เขินข้ามวันกันอีกอันที่จริง ถ้าคุณได้รับพรจากสวรรค์ให้เกิดยานอย่างรู้ความคิดในหัวมนุษย์สักวันก็ <c oughs> อาจแก้โรคชอบอววงพันนี้ได้เพราะคุณจะตระหนักว่าเวลาส่วนใหญ่ของมนุษย์นั้นหมดไปกับการฟุ้งซ่านเรื่องไม่เป็นเรื่องหรือประจุนแน่นอยู่ด้วยธุระป่าปางเฉพาะหน้าถ้าหากคุณไม่ได้เป็นที่พิสวาดมากมาก หรือไม่ได้ทำให้กลายเจ็บช้าหนักๆเขาก็จะไม่เสียเวลามานั่งนึกถึงคุณไม่มาทบทวนข้อผิดพลาดเรื่องน่าอายหรือเรื่องเจ๋งไม่เจ๋งของคุณบ่อยๆหรอกแล้วทำไมคุณต้องเสียเวลาไปพะวงบ่อยๆด้วยไม่ต้องพยายามอ่านใจเขาก็ได้ลองคลีความคิดในหัวของตัวเองคุณคิดวุ่นวายเรื่องนนเรื่องนี้อย่างไร คนอื่นก็ไม่หนีกันเท่าใดค้นหาเข้ามาข้างในแล้วจะพบว่าธรรมชาติของจิตคนเราผูกยึดจริงจังอยู่กับเรื่องของตัวเองหรือไม่ก็เรื่องที่คนอื่นทำให้ตัวเองเจ็บหรืออีกทีก็เรื่องที่คนอื่นทำให้ตัวเองชื่นมืน่นไม่ใช่มาเสียเวลานั่งคิดถึงใครเป็นคนคนไม่มาเฝ้าคิดถึงตัวตลกเป็นวักเป็นเวน ไม่ใช่มาใช้ความคิดวิเคราะห์วิจาร์ว่าใครเจ๋งใกลไม่เจ๋งขนาดไหนข้อเท็จจริงคือเมื่อจิตคุณไม่ยึดไม่พวงกับความคิดของคนอื่นเกินไปคุณจะสบายใจใช้เวลาคิดนิดเดียวก็คิดออกว่าจะสร้างความประทับใจรอบใหม่ท่าใดแต่หากเปลืองเวลาเปลืองจิต คิดวกวนมากๆแนวโน้มคือครั้งต่อไปคุณอาจกระเฮี้ยนกระหืออรือเกินเหตุหรือกระทั่งเป็นตัวตลกตัวเดิมที่เผลอแสดงตลกรอบใหม่โดยไม่ตั้งใจก็ได้